ค่ำคืนนี้นะกำลังจะสิ้นสุดเมื่อพระอาทิตย์นะได้เริ่มส่องสว่างซึ่งก็อีกไม่นานสาหรับหลายคนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ยาวนานที่เป็นค่ำคืนยาวนานก็เพราะว่าได้ทำความเพียรอตลอดทั้งคืน แล้วก็เป็นการทำความเพียรที่อาจจะไม่ค่อยหรือไม่เคยได้ทำความซื้อว่าค่าคืนมันยาวนานเพราะทำความเพียรเนี่ยมันดีกว่าความรู้สึกว่าค่าคืนมันผ่านไปเร็วสั้นเพราะว่าหลับไหลหรือว่ามัวสนุกสนาน เวลาผู้คนเนี่ยสนทนานกันเช่นฉลองส่นะงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าฉลองในโอกาสใดก็ตามเช่นฉลองวันเกิดช้วงค่คืนมันก็จะผ่านไปเร็วมันต่างกับการทำความเพียร กองหลายคนในค่ำคืนนี้ที่รู้สึกว่ายาวนานมากแต่ก็ขอให้ภูมิใจนะที่แมจะรู้สึกว่าเป็นค่ำคืนที่ยาวนานแต่ก็ผ่านมาได้จนถึงนาทีนี้ โดยไม่ทิ้งความเพียรแม้ว่าจะรู้สึกลำบากเพราะว่าปวดเมื่อยเหนื่อยพเพลียรหรือว่าต้องฝืนสู้กับความง่วงไม่เหมือนอนะไปนอนสบายหรือว่าไป ดูหนังฟังเพลงเฉลิมฉลองสนุกสนานทั้งคืนอาจจะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ความทุกข์อย่างนี้นะที่มันจะช่วยทำให้เราทุกข์น้อยลงในวันหน้า ถ้าเรายอมทุกยอมลำบากนะเสียแต่วันนี้มันหน้าเนี่ยเราก็จะทุกน้อยลงมันก็เหมือนกับตอนเด็กๆเนี่ยเรายอมเหนื่อยยอมยากเพื่อเรียนหนังสือเพื่อนจะชวนไปเที่ยวเราก็ไม่ไปทัง้งที่ใจอยากจะไปโหยหาแต่เราเลือกที่จะทำการบ้านเพื่อเราเลือกที่จะ เตยมตัวสอบหน้าดำคําเคร่งกับการเรียนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนสนุกสนานกับคนอื่นเขาแต่มันก็ช่วยทำให้ไอ้ความทุกข์ความยากที่จะเกิดขึ้นจากความเกียดคร้านหรือว่าจากการที่ไม่รู้หนังสือไม่รู้ ไม่มีวิชาความรู้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงอันนี้เรีาว่ายอมลำบากวันนี้นะเพื่อไม่ต้องไปลำบากในวันหน้ายอมสู้กับความทุกข์ในวันนี้เพื่อที่จะไม่ต้องไปเผชิญกับความทุกข์ในวันหน้าอาจจะเรียกว่าใช้ทุกนะละทุกก็ได้ แม้ว่าหลายคนจะพบหรือรู้สึกว่ามันข้ามคืนนี้มันลำบากมันทุกข์เหลือเกินนะก็ขอยมั่นใจว่ามันจะช่วยทำให้เรามีวิชาในการที่จะรับมือความทุกข์ในวันหน้าและสามารถที่จะก้าวข้าม ่ามมันไปได้ในที่สุดถ้าว่าเราไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความทุกข์อันเกิดจากการทำความเพียนอย่างเช่นที่ได้ทำในค่ำคืนนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนจะได้โดยเพราะคนที่ไม่คุ้นไม่เคยนะกับการภาวนา ข้ามคืนหรือภาวนาจนดึกจนดื่นเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นว่าเราทำได้ความรู้สึกหรือสำนึกอย่างนี้นี่สำคัญนะเพราะบครั้งเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลาบากหลายคนจะบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันก็จะ หลอกหลอนเราไปเรื่อยๆทั้งๆ ท, ที่เรามีความสามารถมากขึ้นเรามีศักยภาพมากขึ้นแต่ความคิดว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่มันก็จะยังเอาชนะเราได้อยู่มัน ค, คล้ายๆกับช้าง ตัวใหญ่แต่ว่าถูกล่ามด้วยเชือกหรือว่าโซ่เส้นเล็กๆซึ่งปักกับหมดุดหมุดนั่นก็ไม่ได้ปักลึกอะไรและช้างเนี่ยถ้ามันสะบัดเชือกหรือว่าสะบัดโซ่เนี่ยนะก็สามารถที่จะทำให้หมุดนั้นเนี่ยมันหลุด แล้วก็ช้างก็จะเป็นอิสระได้แต่ทำไมช้างเนี่ยจึงยอมให้หมุดเล็กๆเนี่ยมันตรึงช้างเอาไว้หรือล่ามเข้าไว้ได้ด้วยเชือกโซ่เส้นเล็กๆก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะเขาถูกล่ามไว้อย่างนั้นตอนที่ถูกล่ามเนี่ยเมื่ อ, อยังเด็กเนี่ยนะกำลังยังน้อย ดึงเท่าไหร่ดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดไม่เป็นอิสระก็เลยฝังใจว่าเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกพอคิดว่าฉันทำไม่ได้แม้โตขึ้นนะกำลังวังชานี่เพิ่มจากเดิมนี่เป็นหลายเท่าในความคิดนิ้มก็ยังคอย ตรึงหรือล่ามช้างตัวนั้นเอาไว้มันไม่ใช่โซ่นะหรือเชือกที่ตรึงช้างตัวนั้นไม่ปิสระแต่มันเป็นความคิดที่สะสมหรืออกฝังในอดีตนะว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้หลายคนก็เหมือนกันนะ อดีตอาจจะเคยทำไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะทำได้แต่ว่าไม่ยอมทำให้กล้าทำเพราะยังพร่ำบอกตัวเองว่าเนี่ยฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แต่พอเราได้มาทำความเพียรในวันนี้ในคืนนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะยากยังไงลาบากยังไง แต่ก็พาตัวเองปฏิบัติจนมาถึงนาทีนี้ได้หรือว่าทำได้มากกว่าที่เคยสามารถจะอดหลับอดนอนได้มากกว่าที่เคยทำโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งบันเทิงเรืองรมหรือว่าความสนุกสนาน แต่พึ่งพาความเพียงของตัวเองลุ้นล้วนนี่มันทำให้เกิดความมั่นใจว่าฉันทำได้แล้วความมั่นใจเนี่ยนะที่จะหลุนส่งให้เราสามารถจะทาสิ่งที่ยากขึ้นยากขึ้นได้เรื่อยๆล้วความสำนึกว่าเราสามารถจะสู้สิ่งยากได้เนี่ยมันสำคัญมากสำหรับการ ปฏิบัติธรรมแลัวการภาวนาเพราะว่าเส้นทางนี้นมันก็จะมีอุปสรรคมากมายแล้วก็โดยเฉพาะมารหรือกิเลสนะซึ่งบางทีเราก็เรียกรวมๆว่ากิเลสสมานเนี่ยมันมาคอยฉุดมันมาคอยล่อ มันม า, มาคอยลวงให้เราเนี่ยออกจากเส้นทางหรือว่ามาฉุดไม่ให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าว่าเร า, ามีความเชื่อว่าเนี่ยเราทำได้ฉันเคยทำมาแล้วเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากขึ้น ไอ้การที่จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสอย่างที่เคยเป็นนะมันก็น้อยลงหรว่าเกิดพลังจิตนะที่เข้มแข็งมันเป็นพลังฝ่ายบวกนะที่เราต้องเสริมสร้างสะสมให้มากขึ้นมากขึ้นนะเพื่อที่จะพาเราออกจากบ่วงแห่งมาร หรือว่าทําให้เราเป็นอิสระนะจากการเป็นท่าของกิเลสเห็นความมั่นใจนะว่าเราทําได้หรือฉันทําได้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องสะสมเพิ่มผูนมากขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่ความมั่นใจนะว่าฉันทําได้ฉันทําได้ที่จะช่วยทําให้ เราเอาชนะอุปสรรคหรือกิเลสมาร์ในวันข้างหน้าได้แต่ประสบการณ์จากการที่ได้เห็นตัวเองโดยเฉพาะเห็นอารมณ์ความรู้สึกเห็นความคิดต่างๆที่มันผุดพลายขึ้นมาหรือบางทีมัน จึงกับพรั่งพรูครัการที่เห็นหรือมีประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรารู้จักรับมือนะกับความคิดและอารมณ์หรือตัวนิวรณต่างๆได้ดีขึ้นแม้ว่ามันจะคลองจิตคลองใจเราได้เป็นส่วนใหญ่ แห่นความง่วงความฟุ้งความหงุดหงิดแต่การที่มันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยแต่ขณะที่เราท ền, ําความเพียรโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นแล้วก็รู้ทันสิ่งเหล่านี้ได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้น ไอ้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็พรั่งพรูหรือว่าเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆมันเป็นเวลาช้านานมาแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะเรียนรู้หรือว่าเฝ้าดูมัน ก็ปล่อยมันครอมงำติดใจชักพาลากถนะูช่วยของเราไปในทางนะที่เป็นทุกขนะ์เต็มไปได้วยโทษแต่คนนี้พอเรามาทำความเปลี่ยนลงกับเพื่อนๆเพื่อบูชาคุณของหลวงพ่อประกอบกับการได้ฟังทมได้ฟังข้อชีแ้แนะจากครูบาอาจารย์ มันก็เริ่มที่จะรู้จักหันมาดูหันมามองแล้วก็เห็นความคิดและอารมณ์เหล่านี้หรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่แพ้แพ้นะต่ออการล่อหลอกล่อลวงของมันตรงนี้คือประสบการณ์สำคัญนะที่มทำให้เราเนี่ยมีวิชาในการ จัดการหรือรับมือกับความคิดและอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นแม้ว่าอาจจะยังเพลี่งพร้นะเป็นส่วนใหญ่ก็ ค, คือหลุดเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์อยู่บ่อยๆแต่ว่าประสบการณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละขนาดแต่ละขณะเนี่ย มันมีคุณค่านะมันทำให้เรามีทักษะมะีความรู้เท่าทันมากขึ้นหากว่าเราตั้งใจนะที่จะเรียนรู้เฝ้าดูมันอย่างที่หลวงพ่อเทียนนันบอกว่าเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งคิดในที่นี้หมายความว่าเผลอคิดไป ยิ่งมันเผอคิดเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้รู้ในที่นี้คือรู้สึกตัวหรือว่ารู้เท่าทันความคิดแต่ก่อนเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งหลงนะเพราะว่าไม่ได้พยายามที่จะปฏิบัติแต่ว่าพอเรามาเจริญสติเนี่ยในหลังที่เราเดินตรงกัมในหลังที่เราสร้างจังหวะเนี่ยแล้วเรา ตั้งใจที่จะเรียนรู้ดูมันเนี่ยตอนนี้แหละนะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ใหม่ๆเนี่ยคิดไปร้อยรู้แค่สิบคือรู้ทันความคิดแค่สิบที่เหลือก็โดนมันกินไปหรือหลงเข้าไปในความคิดเหล่านั้นจนหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าจนทุกข์เครียดเบือ่อ หุดหิดแต่ตอนหลังเนี่ยไอความรู้เนี่ยหรือความรู้ตวงก็เพิ่มขึ้นนะจากสิบเปอร์เซ็น 20% เป็นยี่สิบเอร์ซนเป็นสมสิบเปอร์นอที่มันเพิ่มได้เพราะอะไรเพราะว่าความคิดเนี่ยที่มันออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับมาสอนมาสอนเราให้รู้จักรู้ทันมัน หรือู้ื่อถัวคือว่ามันกลายเป็นเป็นคู่ซ้อมให้กับสติสตินี่แต่ก่อนเนี่ยอ่อนถัดนะก็โดนมันโดนความหลงมันหรือความฟุ้งมันเล่นงานมันถลุงเอาแต่ตอนหลังเนี่ยส ต, ติมีประสบการณ์มากขึ้นที่เขาเรามีช่วงช่วงโมงบิดมากขึ้น ก็เริ่มที่จะอะต่อก่อนกับความหลงได้ดีขึ้นต่กอกรโดนถลุงอย่างเดียวเลยแต่ตอนหลังเนี่ยอะก็เริ่มที่จะรู้เริ่มที่จะหลบแล้วเริ่มที่จะรับมือนะกับอตัวหลงได้ดีขึ้นงนั้นจากเดิมที่รู้แค่สิบก็รู้เป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบ จนทั้ง 80-90% ที่รู้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวหลงตัวคิดเนี่ยที่ทยอยมาเพื่อเป็นคู่ซ้อมหรือเป็นแบบฝึกหัดก็เหมือนกับทำการบ้านนะทำการบ้านนแบบฝึกหัดเนี่ยที่แรกก็ทำผิดมากกว่าถูก แต่พอทําไปทําไปทําบ่อยๆทําบ่อยๆผิดมันก็น้อยลงถูกก็มากขึ้นอันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อพเกียนว่าเนี่ยเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเนี่ยเนี่ยคือสาระของการภาวนาแต่ว่าในการภาวนาเนี่ยนะด้การทากรรมฐานเนี่ยนอกจากความเพียรความเชื่อว่าเราทําได้ไม่กล้าสู้สิ่งยาไม่ท้อถอยตัวประสักแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ต้องมีนัคือการรู้จักมองดูหรือเห็นทำแล้วก็ตามเนี่ยเราต้องทำให้เป็นเมื่อทำครัวเราก็ต้องทำให้เป็นทำครัวให้เป็นเมื่อขับรถเราก็ต้องขับรถให้เป็นมันจึงจะเกิดผลภาวนาก็เหมือนกันนะต้องภาวนาให้เป็นถ้าภาวนาไม่เป็นนี่บางทีเกิดโทษนะบางคนก็เสียจริตบางคนก็อ่า พุ่งคลั่งไปเลยเนี่ยเพราะภาวนาไม่เป็นและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยภาวนาเป็นก็คือการมองการดูการเห็นต้องมองให้เป็นดูให้เป็นแล้วก็เห็นให้เป็นด้วยถ้าเห็นไม่เป็นนะมันก็เข้าไปเป็นนะอันนี้ต้องระวังแม้ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะแต่มันหมายความว่าต้องเห็นให้เป็นด้วย มองให้เป็นดูให้เป็นไม่งั้นเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นบางคนจะไม่น้อยเนี่ยนะแม้ว่ามีความเพียรมีความตั้งใจนะมีความมุ่งมั่นเนี่ยแต่ว่ามองไม่เป็นดูไม่เป็นเห็นไม่เป็นนะก็เลยเข้าไปเป็นอยู่เรื่อยๆมีบางคนบอกเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตดูใจเนี่ยดูทีไรเนี่ยนะ มันไปจมอยู่กับเรื่องเก่าๆที่ทำให้เศร้าที่ทำให้เจ็บปวดทุกข์เหลือเกินนะก็เลยไม่ดูแล้วนะดูจุดดูจกดูจิตไม่ดูแล้วดูแลทุกข์เหลือเกินเลิกนะอันนี้เขาไปโทษว่าเนี่ยเป็นเพราะดูจิตดูใจเนี่ยทำให้เป็นทุกข์จริงๆเป็นเพราะเขาดูไม่เป็นนางหาง ดูเนี่ยนะหรือเห็นเนี่ยมันไม่ใช่จ้องเอานะบางคนช่วเนี่ยดูจิตนี่คือเขาไปจ้องนะไปจ้องที่จิตไปดักดูความคิดในแบบนี้มันไม่ถูกนะจริ ง, รงถ้าดูจิตเนี่ยเป็นเนี่ยมันก็จะเห็นนะความคิดพอเห็นความคิดแล้วเนี่ยมันไม่หลงเข้าไปในความคิด มันไม่ถูกความคิดครอบรวมทั้งไม่ไปผักไสต่อสู้พันตัวความคิดนั้นแต่ว่าพอดูไม่เป็นนะไอ้ที่คิดว่าเห็ น, เ ห, นเห็นเนี่ยมันก็กลายเป็นเป็นการจ้องเป็นการเพ่งแไปเท่านั้นแหละนะก็เกิดปัญหาขึ้นมาเลยทําไปทําไปก็เครียดทําไปทําไปก็ปวดหัวแน่นหน้าอก เพราะาแต่จ้องเอาแต่เพ่งอันนี้เราว่ามองไม่เป็นดูไม่เป็นนะเห็นไม่เป็นมันก็เลยเข้าไปเป็นแทนสำคัญมากนะการเห็นเนี่ยอาศัยการดูดูแบบไม่คาดหวังดูแบบสบายๆดูโดยไม่ดักไม่ดักลวงหน้าไม่จ้องไม่เพ่ง มันเกิดขึ้นแล้วถึงค่อยมาเห็นมันไม่ใช่ไปดักเฝ้าดูมันมน่ต้องวางใจให้ดีนะแล้วก็เห็นเนี่ยนะมันก็ต้องรู้จักวางใจให้พอดีหลวงพ่ อ, ขอเขียนท่านเราวานสมัยที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆกุลบ ว, วเทียนเนี่ยวันหนึ่งท่านก็อยาที่นั่งภาวนาสร้างจังหวะอยู่ในกุตติ ซึ่งปิดประตูเนี่ยผมว่าคำเขียนเนี่ยท่านเดิมเนี่ยท่านก็ชอบสมถะนะชอบสมถะชอบความสงบไม่ชอบสิ่งรบกวนเพรตอนนั้นเนี่ยเวลาภาวนาในกุติเนี่ยก็ปิดประตูไม่รู้ปิดหน้าต่างด้วยหรือเปล่าหลวงเทียนเดินมาหาแล้วก็ยืนอยู่หน้ากุติ แล้วก็เรียกท่านทําอะไรอยู่หลวงพ่อถึงหลวงพ่อเถียก็ตอบว่ากําลังสร้างจังหวะอยู่ครับหลวงพ่อถึงก็ถามว่าเนี่ยเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นครับทําไงนี่เห็นข้างนอกมาเปิดประตูว่แล้วเปิดประตูหลวงพ่อเถีงก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นข้างในอะไรเห็นไหม เห็นครับเออให้เห็นนั่งข้างนอกข้างในนะอย่าเห็นแต่ข้างนอกหรือว่าอยเห็นแต่ข้างในแล้วท่านก็เดินผ่านไปหลวงพ่อเฉียนเนี่ยที่แล้วก็สงสัยเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะนี่คือวิธีการสองหลวงพ่อเฉียนนะท่านไม่พูดอธิบายมากแต่าอาศัยนะ การสอนเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้จักคิดด้วยตัวเองจากประสบการณ์และตอนหลังหลวงพ่อคำเกียนก็รู้ว่าอ๋อหลวงพ่อเทียนต้องต้องการสอนว่าเนี่ยอย่าปล่อยจิตออกไปข้างนอกแล้วก็อย่าเพ่งเข้าข้างในให้จิตมันอยู่ตรงกลางๆนี่แหละเห็นทั้งข้างนอกข้างนอกคือโลกโลกลิ่นเสียงสัมผัสหรือโลกภายนอก แล้วก็เห็นข้างในคือเห็นความคิดเห็นอารมณ์แต่ไม่ใช่เห็นแบบเข้าไปจ้องเพ่งจนไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกบ้างแต่ถ้าไปปล่อยจิตออกไปข้างนอกมันก็ไม่เห็นข้างในคือไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์เพราะจิตมันถูกส่งออกนอกไปแล้ว การปฏิบัติเนี่ยนะในขณะที่เรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเสียงกระทบหูรูปกระทบตาเรารู้แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าขณะที่เราทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คนเรารับรู้เราทำอะไรได้ถูกแต่ก็ ไม่ลืมที่จะมาดูภายในแต่ก็ไม่ใช่ก็ไปเพ่งน่นตรงนี้แหละคือวิธีการเห็นที่จะช่วยทำให้เรารู้ทันความทีและอารมณ์นั้นถ้าเห็นให้เป็นนะมันก็ไม่ข้อไปเป็นไม่เป็นผู้เครียดไม่เป็นผู้ทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไม่เป็น ทั้งที่ครูบาอาจารยสอนแล้วไว้เห็นให้เห็นแต่ก็ไปดักจ้องไปเพ่งไปพยายามควบคุมความคิดหรือว่าเห็นแล้วเนี่ยพอรู้แล้วก็ไม่อยู่เฉยนะแต่เข้าไปกดข่มผักใส่หรือเข้าไปครอบครองถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีก็เข้าไปยึดเอาไว้ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็ผักใส อันนี้เราคือถ้าไม่ตามมันก็ต้านมันนั่นก็ไม่ใช่ก็แค่เห็นแล้วก็รู้อยู่เฉยๆเห็นโดยที่ไม่เข้าไปทำอะไรกับมันอันนี้เรียกว่ารู้สื่อๆเนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ยนะเห็นความโกรธเนี่ยเข้าไปกดข่มความโกรธเข้าไปสู้กับความโกรธเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ละนนี้กอยังเรียกว่าเห็นไม่ถูกเห็นไม่เป็น มันก็เลยเข้าไปเป็นแทนคือเป็นผู้โกรธนะเห็นความคิดแล้วแทนที่จะแค่ดูมันเฉยๆหรือว่ารู้ซื่อๆเข้าไปกดคมมันหรือเข้าไปถลําในความคิดนั้นอันนี้ก็เข้าไปเป็นแล้วนั้นเห็นเน่ต้องเห็นให้เป็นนะถ้าเห็นไม่เป็นนี่มันก็เข้าไปเป็นแทนเช่นเดียวกันเห็นทุกเนี่ยถ้ามาเห็นไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นผู้ทุก นะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ส่วนใหญ่จำนวนมากเลยนะไม่เข้าใจนะเรื่องการเห็นเนี่ยที่ครูบาอาจารย์สอนทำมาต้องนานก็ยังดักจ้องเพ่งนะหรือว่าก็ไปพยายามทำอะไรกับความคิดล่าลมที่เกิดขึ้นถ้าไม่ตามันก็ต้าน ม, มันแล้วถ้าทํความเข้าใจถูกแล้วการเห็นเนี่ยนะมันมีอนุภาพมาก มังจะพาเราเนี่ยออกจากทุกข์ได้ที่เราเห็นด้วยสติก่อนนะทําให้รู้ทันความคิดและอารมณ์และหลุดจากความคิดหลุดจากอารมณ์ต่อไปเนี่ยมันจะทำให้เห็นด้วยปัญญาการเห็นเนี่ยมันจะจากเห็นด้วยสติก็กลายเป็นเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าไม่ใช่แค่เห็นความคิดเห็นอารมณ์จะเห็นรูปเห็นนาม เห็นว่ามันไม่มีเราหรือตัวเรามันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจมันเพิกถอนความสำคัญบ้านหมายว่ามีกูมีกูกออกไปแล้วต่อไปเนี่ยไม่ใช่เห็นรูปเห็นนามเห็นใจ ล, ลับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าเนี่ยที่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นธรรมดาของมัน แล้มันก็ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ตอนแรกเนี่ยพอเห็น cinco, รูปเห็นนามเนี่ยมันก็รู้ว่าที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เราทุกทนะแต่มันเป็นรูปทุกหรือเป็นนามที่ทุกมันไม่ใช่เราทำนะมันจะมันเป็นรูปที่ทำมันเป็นนามที่ทำอันนี้ละเห็นด้วยปัญญาแล้ว่ะและ้วต่อไปก็เห็นไปถึงคัว่ารูปนามก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะมันเป็ น, นตัวทุกข์ทั้งนั้นดิ้เข้าไปก็ทุกข์ไม่น่ายึดถือเลยนะพอเห็นตรงนี้นะเรียกว่าเห็นทุกข์เนี่ยก็พ้นทุกข์เลยตอนแรกเห็นทุกข์เนก็หลุดจากทุกข์เพราะอำนาจของสติแต่เป็นการหลุดชั่วคราวแต่พอเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ว่ารูปหรือนามกายกับใจหรือสรรพสิ่ง มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่นายึดถือจิตมก็วางเลยนะพอวางไม่ยึดมันถือมันมันก็พ้นทุกข์อันนี้แหละที่หลวงพ่อเกเขียนท่านสอนลูกศิษย์นะโดยพ่อในตอนได้ท้าวาเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์ดังนต้องเห็นให้เป็นนะอย่าไปดูแคลนการเห็นนะปฏิบัติมามากๆนี่ไม่ได้แปลว่าเห็นเป็นนะไม่ได้แปลว่าเห็นอย่างถูกวิธีนะ จำนวมากนี้เห็นไม่เป็นมันก็เลยเข้าไปเป็นแทนแต่ถ้าเห็นเป็นนะมันก็ไม่เข้าไปเป็นมีความทุกตามภาษาสังขารแต่ว่ามันไม่มีผู้ทุกข์แล้วอันนี้ล่ออกจากทุกได้ยังก็ขอใรนะอเนายยังคงทำความเพียรต่อไปสร้างความมั่นใจว่าเราทำได้กล้าสู้สิ่งยากเพราะเราเป็นสิทธิ์มีครูนะสิทธิ์มีครูนี่ต้องกล้าสู้ทุกกล้าสู้ความยากลบาก แต่ก็อย่าลืมวิชานะเห็นเห็นให้ถูกเห็นให้เป็นแล้วเมื่อ น, นั้นแหละเมื่อมาเห็นทุกข์มันก็จะพ้นทุกข์ได้นที่สุด